ตื่นเช้ามาเนี่ยนะก็ถือถือว่าเราพวกเราเนี่ยมีบุญกันมากที่กล่าวว่ามีบุญนี่หมายความว่าตื่นเช้ามาอย่างนี้ก็มาสมทานอริยทรัพย์กันคือทุกคำที่เรากล่าวออกไปสาธยายออกไปถ้าหากว่าทาด้วยกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงก็คือมีความตั้งใจอย่างจริงๆ ถ้อยคําที่เราพูดถึงกล่าวถึงทั้งหมดเนี่ยเป็นคําที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีอริยทรัพย์สมาทานประพฤติถือเอาอริยทรัพย์ทุกๆคําเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่กล่าวนั้นมีความจริงใจนะกล่าวด้วยความสุจริตใจกล่าวด้วยจิตใจที่เรื่อมใสเพราะว่าอย่างคําว่าอารหังสัมมาสัมพุโทโธพะคะวาเนี่ยนะ จนถึงนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอันนี้เป็นคํานอบน้อมพระรัตนตรัยคือนอบน้อมพระพุทธรัตน์แก้วอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าอนะนอบน้อมแก้วอันประเสริฐคือพระธรรมนอบน้อมแก้วอันประเสริฐคือหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกสามครั้งนับบวกกับภาษาไทยอีกเป็น4ครั้งนีนะ เท่ากักล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้า4ี่ครั้งด้วยกันนการนอบน้อมพระพุทธเจ้าอันนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีศรัทธานะพระผู้ที่มีศรัทธารู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นกิจที่บัณฑิตทั้งหลายเขาสมทานปฏิบัติบัณฑิตทั้งหลายเขาสมทานการนอบน้อมพระพุทธเจ้า นอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์การนอบน้อมนั้นถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเหตุให้อายุยืนได้ะการนอบน้อมเนี่ยเป็นเหตุให้อายุยืนแม้กระทั่งว่าพระทั้งหลายเวลาจะให้พรเนี่ยจะให้พรในเรื่องการนอบน้อมการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมรวมทั้งการกราบการไหว้การสรรเสริญการยกย่องการบูชาเนี่ยนะที่ เวลาเช้าๆใครใสาบาทโดยมากจะได้ยินพระให้พรว่าอภิวาทานศีลิ์สนิจจังวุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวรโน ส, สุขังพลังนี่ย น, นะผู้ที่มีปกติอภิวาตอภิวาทนศีลิ์ปกติอภิวาทอภิวา ท, วาทแปลว่าการกราบการไหวก็หมายความว่าการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นแหละเป็นปกติศีฤทิ์ ต, ตัวนั้นแปลว่าวปกติมีปกติ หมายความว่ามีปกติไม่แข่งกระด้างมีปกติอ่อนน้อมต่อพระตนตไตรมีใจนอบน้อมเป็นเป็นปกติเป็นธรรมดาพร้อมที่จะนอบน้อมได้ทุกเมื่อเปรียบเหมือนคนมีศรัทธาเนี่ยนะนั่งรถผ่านวัดผ่านพระเจดีย์พร้อมที่จะยกมือไหว้พร้อมที่จะนอบน้อมได้เห็นพระพุทธรูปปัะปนะโมตัสสะพระควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะ เห็นพระเจดียก็นโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพร้อมที่จะนอบน้อมอยู่เสมอจิตใจน้อมไปเพื่อนอบน้อมโดยปกตินะนะนอบน้อมต่อพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังครัตนะแก้วอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยเนี่ยนะเขาจักเจริญด้วยอายุเนี่ยนะอายุจะยืนวันณะเนี่ยนะก็คือผิวพันธ์ที่งดงามตลอดจนถึงก็เรียว่า เป็นเหตุให้เกิดชาติตระกูลสูงด้วยนะความสุขเนี่ยนะเขาจะเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีร้อคนที่นอบน้อมผู้ใหญ่แล้วจะตกต่ําไม่มีคนที่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่นี่ตกต่ำอันนี้มีเพระนผู้ที่นอบน้อมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ใหญ่จริงๆนะไม่ใช่แต่ใหญ่โดยคราบใหญ่จริงๆเนะี่ยถ้านอบน้อมต่อผู้ใหญ่จริงก็จเจริญ น, นะนะเจริญด้วยกําลังแล้วก็วั น, ก ะ, นะก็จะเจริญพระาก็เจริญเนี่ยนะ แล้วก็จะเจริญด้วยความสุขเรียกว่าอายุวันโนสุ ข, ขังพลังเจริญด้วยอายุวันณนะความสุขบางแห่งก็บอกว่าจเจริญด้วยปฏิภาณด้วยมันบุญเหล่านี้เนี่ยจะทําเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพทั้งหลายเพราะฉนั้นบุคคลผู้ผู้นอบน้อมเป็นปกติโดยเฉพาะนอบน้อมต่อพระรัตนะไตรเนี่ยถ้าเกิดในสุขติโลกสวรรค์เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเขาจะเด่นล้ําเหนือเทวดาเหล่าอื่น เหนือเทวดาเดาอื่นโดยอะไรโดยอายุวันนะความสุขยศปฏิพัน์อธิปไตยเนี่ยนะเขาจะเด่นล้ำเหนือเทวดาอื่นๆในด้านรูปเสียงกลิ่นรสและโพธภิภพทั้งหลายเพราะนนี้สงการนอบน้อมนั้นถือว่าเจริญและก็ยิ่งใหญ่จริงๆสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีเด็กมีมีผู้ชายคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็ได้ลูกลูกยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยนะลูกยัง ยังแบเบาะอยู่เลยแหละก็อุ้มไปไหว้เพื่อนที่เป็นฤาษีพอไปถึงปั๊บเนี่ยเพื่อนที่เป็นฤาษีเห็นเลยว่าไอ้นี่ดวงมันถุงขาดนะเด็กคนนี้ดวงมันถึงขาดนนะเด็ ก, นนดดดกจะตายละกระว่าตามตำราพยากรณศาสตร์เนี่ยบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้จะตายว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพอพ่อแม่กราบเออให้มีความสุขมีอายุยืน พอทั้งพ่อทั้งแม่กราบเนี่ยให้มีความสุขมีอายุยืนทีนี้พ่อแม่มรักพ่อแม่ปกติก็รักลูกใช่ไหมเอาเด็กคนนี้ขอกราบฤศีเงียบทําไมอะท่านก็บอกว่าอีกเจวันลูกท่านจะตายฟังแล้วเครียดเลยผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะรักลูกมากว่าเขาว่าลูกจะตายเนี่ยทุกอกทุกใจมากทํำยังไงดีเนาะองั้นเถอะลูกจะตายแล้วอีกเจ็ดวันภายในเจวันนี้แหละวันใดวันหนึ่งทีนี้ ก็บอกแล้วรู้ท่านรู้วิธีแก้ไขบ้างไหมรู้วิธีแก้ปัญหาบ้างไหมบอกไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้ไปถามพระพุทธเจ้าเถอะก็เลยอุ้มลูกเนี่ยนะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงก็ทั้งสองคนสา ม, มีภรรยายก็นอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกให้มีความสุขมีายุยืนทีนี้พอเอาเด็กมาบูชาพระพุทธเจ้าก็เงียบก็ถามอีกทําไมพระองค์จึงเงียบก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะตายภายในเจวัน พ่อแม่ก็คือพ่อแม่นะแล้วพระองค์รู้หนทางแก้ไขบ้างไหมก็บอกว่ารู้บอกว่าให้ท่านตั้งปรําขึ้นมาแล้วก็นิมนต์พระพิโสไปสวดพัพปริจ7วันเหมือนกันสวดพรพปริจก็สวดอะไรสวดเมตตาสูรสวดรัตนาสูรแบบที่เราสวดนี่แหละเรียกว่าไปสาธยายพระธรรมเนี่ยติดกันเจวันแล้วก็ให้เด็กนี่อยู่ตรงกลางนะก็ท่วงกันสาธยายไปที่นี้ เหตุผลว่าถามว่าทําไมภายใน7วันเนี่ยเด็กจึงจะตายเหตุผลว่าอดีตชาติเด็กเนี่ยมีคู่เวรอยู่คนหนึ่งไปเกิดเป็นยักษ์พอดียักษ์เนี่ยไปไปปรนิบัติรับใช้ท้าวเวสวรรคือพญายักษ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นความที่อุปถากดีก็เลยบอกอนุมัติว่าภายใน7วันท่านทําอะไรก็ได้ที่ท่านอยากทำก็ว่าให้พรไปเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้ก็ถื อ, อถือสิทธิที่พิเศษอันเนี้ยภายใน7วันเนี่ย จะต้องไปฆ่าศัตรูได้โดยที่ไม่มีความผิ ด, ดหรือว่าปลอดกฎหมายประาณนั้นปลอดกฎหมายปลอดหรือว่าปลอดกดของยักษ์ปรมาณนั้นฆ่าคนได้ไม่ผิดฉะนั้นก็รู้เลยฆ่าได้ขอบเขตรัศมีภายในเจวันมีสิทธิ์ฆ่าถ้าเลยไปแล้วหมดสิทธิ์แล้วถือว่าเนื้อขอบเขตของตัวเองทีนี้พอเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ตรงกลางพระพิสุก็นั่งสวดล้อมกันซะส่วนใหญ่แล้ว พวกมนุษย์ทั้งหลายก็มานั่งสวดล้อมและอามนุษย์ทั้งหลายก็มาฟังธรรมด้วยเพราะสวดพระประิตโดยมากเทวดาก็ชอบนะนะเทวดาทั้งหลายถ้าเขาไม่ใช่เป็นนักบุญจริงเขาไม่เกิดเป็นเทวดาหรอกเพราะฉะนั้นได้ข่าวว่าคนทําดีทั้งหลายเขาก็ชอบฟังนะเพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายจะชอบฟังธรรมชอบสาธยายธรรมเป็นต้นเพราะเขาฟังธรรมเพราะเขาสาธยายธรรมเป็นต้นเขาปฏิบัติธรรมเขาจึงได้เกิดเป็นเทวดาถ้าที่ใดมีการฟังธรรมสาธยายธรรม เทวดาจะไปประชุมกันเพราะฉะนั้นก็เลยเทวดาก็ประชุมไปประชุมกันทีนี้เทวดาที่มาเนี่ยล้วนแต่ศัตว์ใหญ่ยักษ์เนี่ยมัน ก, ก็เหมือนกันว่าเป็นโจรบ้านนอกอ่ะนะทีนี้ถ้าขราชการทหารเนี่ยเต็มยศมารวมียนว่าบริเวณติดกันเป็นพืชหมดไอโจรบ้านนอกกระจอกกระจกเข้ามาถึงจะมีสิทธิ์มันก็เข้าไปไม่ได้มันก็สวดจุด7วันเพราะฉะนั้น7วันนี่หาช่องไม่มีโอกาสที่จะฆ่าเลยเพราะผ่าน7วันไปปก็หมดสิทธิ์ฆ่า ถามว่าเวลาถามว่าถ้าหากว่าอมนุษย์ฆ่ามนุษย์เนี่ยทาได้ยังไงบอกโอ้ยทำง่ายจะตายเนี่ยนะมนุษย์อะไรจะบอบบางเทามนุษย์ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะแค่หายใจรดกันก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยนะจริงตายง่ายจะตายไปแต่ผก็อยู่ได้ถึงทุกวันนะเนี่ยเก่งเหมือนกันเนี่ยนะคือจริงๆแล้วมีความบอบบางมากๆเลยเนี่ยนะถ้าเทียบเนื้อนหนังเนยเนื้อนหนังก็ไม่ได้แข็งแรงเท่ากับช้างเลยช้างจะสูญพันหมดแล้วเนี่ยนะควายเป็นต้นก็หนังเนี่ยนะ เคี a really a ่ยวอะไรก็ไม่มีสักอย่างเนยนะมันพอที่จะกรงเล็บก็ไม่ได้แรงอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอลไรอย่างมันไม่ได้มั่นคงแข็งแรงอะไรวิ่งก็ไม่ได้ว่าเร็วอะไรมากมายเนี่ยนะแต่ว่าก็ดํารงอยู่ได้ถึงปัจจุบันแต่ทีนี้ว่าเพราะอะไรเพราะมนุษย์นั้นมีปัญญาแต่ถ้ากล่าวไปแล้วว่าถ้าหากว่าอมนุษย์เขาถือโอกาสเล่นงานเนี่ยนะอย่างถามว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเหตุที่ทําให้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรบางทีเนี่ยมันไม่น่าจะประสบอุบัติเหตุมันก็ประสบอุบัติเหตุ เกี่ ว, ว่าโค้งกี่ศพกี่ศพขนาดติดป้ายก็ไม่ได้แปลว่ารอดตายอะไรในบางทีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพวกอมนุษย์เป็นต้นเป็นปัจจัยเนี่ยนะมันอมนุษย์นั้นสามารถที่จะฆ่าได้เนี่ยนะสามารถฆ่าได้โดยโดยเหตุต่างๆเนี่ยนะก็บอกว่าเอาอย่างสมัยใหม่ก็บอกวินิจฉัยว่าคนนี้ทําไมหลับตายเขาบหัวใจล้มเหลวเนะี่ยนะเว้ยใครก็ตอบได้หัวใจล้มเหลวก็ใช่แหละแต่ใครหัวใจหยุดเต้นจะเป็นไปได้ยังไงมีใครรอดสักคนหรอกนะ ก็พูดเราหัวใจล้มเลวใช่แล้วนนะพูดอีกก็ถูกอีกนะมันไม่ผิดหรอกพูดถึงว่าทุกส่วนของร่างกายมันไม่ขยับตัวเลยก็ถูกอีกนั่นแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าตายนิยามก็ตายเช่นหัวใจไม่เต้นเป็นต้นทั้งหัวใจไม่เต้นระบบทั้งหลายมันก็ถือว่าจบกันแหละบางั้นทีนี้พูดถึงว่าการนอบน้อมนั้นมีอุปการะคนดังที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นเหตุให้เจริญทั้นการนอบน้อม พระรัตนตรัยนั้นชื่อว่าเป็นการสมาทานอริยสัพพคือศรัทธาแม้กระทั่งชมเชยพระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์จนถึงว่าข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวก็เป็นการนอบน้อมอันนี้เป็นการสมาทานเจริญศรัทธา เพราะผู้มีศรัทธาทั้งหลายจะนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมนอบน้อมต่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นแสดงไว้แล้วนะนอบน้อมแม้กระทั้งพระธรรมที่พระองค์ประกาศแสดงแต่งตั้งเปิดเผยสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วก็นอบน้อมหมู่พระเรียเจ้าทั้งหลายนะที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกสอนจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าเพมันขณะที่เรานอบน้อม บูชาพระรัตนะตรายจนถึงกล่าวคำผูท้ทางธรรมังสังขังสรรนังคัจฉามิผู้นี้เป็นคําที่สมาทานเจริญศรัทธาอริยทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นก็ดูเอาก็เปรียบเหมือนว่าทํางานอาตราการทํางานทางโลกก็เพื่อหาโภะทรัพย์ใช่ไหมอันนี้ขณะที่เราสวดมนต์นอบน้อมอันนี้ก็เป็นการเจริญอริยทรัพย์เราก็ดูว่าอริยทรัพย์แน่นหนาะหรือว่าเบาบางก็สังเกตดูจาก สวดมนต์ถ้าสวดมนต์ด้วยจิตใจเลื่อนลอยฟุ้งซ่านเป็นตน้นก็แสดงว่ามีไม่เท่าไหระนะในใจก็มีแต่อุทะจะมีแต่ความฟุ้งซ่านน่ยนะกระเป๋าก็ว่าอะไรนะพองก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เหมือนกันเนะี่ยไม่ได้มีมีอริยทรัพย์อริยคุณอยู่ภายในสักเท่าไหร่เนี่ยนะนะพับหนังสือพิมพ์ใส่ก็เคยแขื้อกระเป๋าสตางค์ไหมโอ้โหหนาเตอะเลยเดหนะังสือพิมพ์ทั้งน้าเนี่ยนะนะ พันก้อนนี่ก็เหมือนกันว่าการเจริญอริยทรัพย์ทั้งหลายก็เหมือนกันแล้วก็หมั่นสมาทานให้อริยทรัพย์คือศรัทธานเนี่ยเจริญเจริญงอกงามเติบโตขึ้นในใจของเราทีนี้ต่อไปเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าสมาทานอริยทรัพย์คือศีลคือสมาทานที่จะเจริญเว้นที่เรียกว่าวารีศีลเนี่ยนะเว้นจากเรียกว่าเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเนี่ยนะ เพรเจตนาก็คือศีลสมาทานอริยทรัพย์คือศีลท้งที่เป็นวารีศีลเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอธินาทานเว้นจากกามิสุมิชฌาจารเว้นจากมูสาวาตเว้นจากปิสอนะจนถึงเว้นจากดื่มสุราและเมรัยซึ่งการสมาทานอันนี้เนี่ยซึ่งมันขัดกับชาวโลกชาวโลกมีความสุขกับการดูการเข็นการฆ่า การคดการโกงการประพฤติผิดในการการพูดเท็จการพูดจริงปนเท็จเท็จปนจริงอนนะชื่นชมสรรเสริญการดื่มสุราและเม่ไรถ้าที่ใดมีกิจกรรมทํรรมอาอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นที่นั่นประศัต ท, ทั้งหลายจะเจริญรุ่งเรืองของพวกเราเนี่ยนะมาสมาทานศีลอย่างนี้ถึงจะน้อยคนมันก็มีคุณค่าเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะนะกระวัดในท่ามกลางทะเลทรายที่มันแบบถึงจะเป็นหมื่นไร่แสนไร่ มันก็ดื่มกินไม่ได้เท่ากับน้ําบาน้อยหรอกนีนะเนะพราะอักุศลถึงมันจะมากมายิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะมันก็ไม่ได้มีอุปการะทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปแต่การสมาทานกุศลมีอุปการะคุณทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพี่น้อง4ี่หคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวที่เหลือพลานหมด แต่ถ้าถามว่าไอ้คนหนึ่งคนไม่ทํางานเนี่ยคนที่เหลืออยู่รอดไหมก็บอกว่าก็อยู่ยากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฉันใดกุศลรธรรมทั้งหลายถึงจะเกิดน้อยแต่ก็มีอุปการะคุณทีนี้เครียกว่าอะไรนะพอคนเลวเยอะๆคนดีมันก็เลยน้อมไปหาน้อมไปหาคนเลวหรืออกุศลจิตมันเกิดเยอะๆเนี่ยนะอกุศลจิตก็แหมถอยกําลังมันกันเนี่ยนะเลยแพ้อกุศลเลยก็มีเพราะฉะนั้นสมาทานเศษเนี่ยนะก็มีอุปการะคุณเป็นอย่างมาก วันเราก็ชื่อว่ามาสมาทานทรยบคือศรัทธาสมาทานทรยบคือศีลแล้วก็สมาทานทรยบคือสุตตะเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่สั่งสมสุตตะเอาไว้ได้จะคล่องปากขึ้นใจกําหนดจดจำได้รู้ธรรมะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสูดแล้วสูดเล่าถ้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอรหงังปั๊บต้องจบที่นาโม ถ้าเป็นปกติธรรมนาถ้าขึ้นตถาคตพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องจบลงที่ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวหรือถ้าขึ้นพระพูทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ก็บอกอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นหรือพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็ต้องไปจบลงที่นั่นถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยเนี่ยนะ จกทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังขอให้การปฏิบัตินั้นนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเถิดเนี่ยนะ